ฟังทากันรอจะพูดให้ฟังฟังคำพูดเลียวเอาไปกระทำไม่ได้ฟังแล้วจำไม่ได้ฟังเพื่อให้เข้าใจฟังแล้วเอาไปทำเอาไปสัมผัสเอาไปประกบอบในเป็นภาคปฏิบัติไม่ใช่ภาคทิษฎดี เราเจริญสติภปกิจภปรกรณ์เบื้องต้นไม่ต้องอ้อนวอนหรืออยากรูก้อยากเห็นเพื่อจะให้ไ ด, ได้นนได้นี่ไม่ต้องไปคิดอกอาศัยการกระทําบุกเบิกไปเอากายเอาจิต เรีว่ากิจเจตสิกลูกนิพานเป็นปรมัติตไม่ใช่สมมุติบัญญัติเป็นปรมาจิตสัจจะเอากายเอากิจเอาลูกนะสัมผัสเข้าไปเลยไม่ต้องไปตั้งจิตตั้งใจไม่ต้องไปอ่าในความอยากไม่ต้องไประมัดระวังอะไรอ่าทิ่มตัวลงไปเลย กับการกระทาเอากายไปต่อไปสมัมผัสกับความรู้สึกตัวให้มันติดให้กายกับสติมันติดกันให้จิตใจกับสติกับความรู้สึกตัวให้ติดกันแต่ก่อนนั้นกายมันติดกับความหลงใจมันติดกับอารมณ์ อารมมันก็เป็นเจ้าของจิตมันยึดจิตเอาไปใช้กายก็ไปติดกับความหลงการกระทำปลีเดินปรีหายใจก็ปรีเพื่อนไหวต่างๆปรีหมดไม่ได้ใช่เกิดประโยชน์เราจะมาจับมันไว้ใช้จับกายมาใช้จับจิตใจมาใช้ อย่าให้มันเป็นอิสระโดยความหลงหรงแต่งไปต้องสอดลูกสอดเห็นจะดูแลมัน่ะส่างกายรงกิตเนี่ยเราจะต้องดูแลมันใส่ใจไม่ได้มองหันหลังให้มันแล้วจะหันหน้าดูมันถ้าเป็นตาก็จะดูมันตาเนื้ออันนั้นเป็นตาใน จะไม่หลบไม่นี้เป็นไรดูมันอยู่นี้จะดูมันอยู่จะเห็นมันอยู่จะทักท้วงมันอยู่จะโต้ตอบมันอยู่บางอย่างมันจะสั่งงานสั่งการไม่ต้องทําตามดูเชียก่อนทักทวงมันก่อนเช่นเรานั่งสร้างจังหวะอยู่ความคิดจะลุกความคิดการฉลาดต้องเห็นเ่งมันคิดจะลุกหรือ ยังไม่ลุกเราจะลุกเองไม่ต้องไาคิดตั้ใจจะลุกลุกโดยความรู้สึกตัวแต่ว่าหัดให้สติมา ก, ก่อนให้สตินำจะให้ความคิดจะให้เวทนาจะให้อันอื่นมาสังเหมือนกับขเขาฟึกื่ เลียงนั่นต้องสั่งคนเดียวถ้าคนอื่นสั่งแล้วมันไม่ออกมันสับสนแล้เวเลียงขึ้นมาเผ้าบางคนก็บอกลุกนันลูกนั่นลูกนั่นมันก็โกรธมันสั่นจิงมาเฝ้าใส่มันไม่ทำมันสับสนมันรอให้เจ้าของให ผู้ที่เคยสั่งมันมาสั่งมันจะเคยทำเขาบอเอา้าวตั้งต้นไหมก็บอกอา้อาวลูกนั้นมัาไปจับดูถ้าเจ้าของเออเออมันก็ทาแล้วพยันล้วคนอื่นสั่ง น, น้นสั่นี่มันหยุดอะไรไม่ทำในเรื่องเราฝึกเลงฝึกช้างฝึกวัวฝึกควายฝึกหมูฝึกหมาฝึกสัตว์เด็กสัตว์ฉัน ทีมันจำเสียงได้ห ย, ยุดมันก็หยุดทันทีการฝึกตัวเองก็เหมือนกันให้สติเป็นใหญ่ให้สติเป็นใหญ่ดูอะไใช้ให้มากๆอะไรก็ตามให้รู้เสึกตัวไว้ก่อนมันจะคิดรู้เสึกตัวไว้ก่อนมันจะลุกจะเดินจะเคื่อนจะไหวให้สติเป็นคนเอากายเอาใจมาใช้ นี่คือกรรมฐานทำไมตั้งต้นจากอย่างนี้เราไม่ใช่กรรมฐานมันจะเป็นจินตยานมันจะเป็นวิปัสสนูมีแต่ปัญญามีแตเหตุผลไปนโนนเหตุผลไม่ใช่ปรมัดเป็นสมมติปัญญาต่ตางกันความชอบก็ต่างกันความไม่ชอบก็ต่างกันแต่ถ้าเป็นปรมัติมันจะอันเดียวกันคือความรู้สึบตัว เห็นกายก็เห็นอันเดียวกันเห็นความคิดก็เห็นอันเดียวกันเห็นเวทนาก็เห็นอันเดียวกันเห็นอาการต่างๆเห็นลูกเห็นนามก็เห็นอันเดียวกันไม่ใช่เห็นคนละอย่างแต่เรามีสติในนี้ไม่จะไม่ค่อยเกิดแม้เกิดก็พักท่วงแป๊บเดียวมก็หายแต่เรามีสติแก้งกันเป็นตาเป็นตาในของเรา ตาในนมันเห็นเมดทั้งความคิดเห็นอารมณ์เห็นเวทนาตาเนื้อไม่เห็นหรอกเห็นแต่ลูกเราจงมาลืนตาตาไหนของเราอยากไปหลับหลับกลาคืนหลงลู่สุดตัวเนี่ยคือลู่สึกตัวคือลืนแต่แม่หลับตาก็ลู่สึกเป็นเรานั่งสร้างจังหวะมือเราเคลื่อนไหวหลับตาถูกกลางคืนก็ไม่ต้องจุดไฟก็ลู่อยู่ เดินจงกรมก็ไม่ได้เดดตาไปดูมันก็รู้อยู่รู้อยู่รู้สึกตัวอยู่นี่เรามาหัดตรงนี้กันตรงนี้ไม่ใช่เรียนรู้จบจากลั่วมหาวิทยาลัยจบจากการกระทำตั้งต้นจากการกระทำไม่ใช่ลัทธิไม่ใช่นิกายไม่ใช่เพศไม่ใช่ชาติภาษา เป็นการกระทํารุวนรุนเป็นการกระทํารุ่นรุ่นอยไปเอาทิฏฐิขึ้นมาเลยทิฏฐิความเห็นต่งางๆวางแล้วาเอาการกระทําให้มีการกระทําการกระทำบเราก็มีจริงจ ม, ม, มือเราก็ไม่พลิกมือเคลื่อนไหวอยู่มันก็มีนี่คือการกระทํา หายใจแล้วก็มีอยู่หายใจแต่เราไม่ไดเอามาทำมันก็ฟรีมันก็หายใจฟรีเราจับจับอันโน่นจับนี่พอที่จะเอามาผลิตความรู้สึกตัวเอามาผลิตเอามาเป็นอุปกรณ์เครื่องผลิตความรู้สึกตัวแต่พริบตากระดับเปลือนทรลายกระดับถ้ายกมือสร้างจังหวะมันปวดมันเมื่อยทำใหม่ๆอาจจะปวดเมื่อย อาจจะเป็นเวทนามากเวทนาจะแก่กล้กว่าคนที่ฝึกมานานๆตอนนั่งอริบด์นั่งอาจจะนั่งไม่ค่อยได้นานอริบดเดินอาจจะเดินไม่ค่อยได้นานเวทนามันใหญ่เวทนามันลุ่นลอยทํำไม่ใหม่เงั้นเกิดหลงไปในเวทนาเวทนามันก็จะค่อยย้อมที่จ ะ, ะเช็ด ให้เกิดความหลงเหมือนกับการแทรกซึมการอะไรที่สี่จะให้แปลสภาพไปเป็นเอ็นเชื่อโลกพยายามที่จ ะ, ะขยายตัวแต่ร่างกายเราก็พยายามที่จะฆ่าเชื่อโลกนั้นความรู้สึกตัวกับเวธนาคล้ายๆกันเอธนามันก็จะพยายามที่จะใช้ ไม่เอาหน้าที่ใหญ่ที่สุดจนยอมเ้าไม่มีสติถ้าไม่ดูจริงๆก็จะยอมโอ้ยไปเลยแต่มันก็สั่งมันก็สั่งงานทัางการมันก็เลยเป็นใหญ่เราเคยโดยจำนวนต่อมาแล้วเขายามดูทําไมใหม่เวทนาเนี่ยความปวดความเมือความสุขความทุกข์องคนไปชนกับความทุกข์ ก็ยอมแล้วยกทง อ, ยก อ, ยกยองขาวอย่าไปอย่าเพ่งยอมดูดีๆว่าเราจะเกิดปัญญาที่ตรงนั้นก็ได้สุนสุขก็ดูดีๆอยา่าเพิ่งเว้ยิ้มไปเห <c oughs> มันอะไรกันอาจจะเกิดปัญญาสุขเวทนาทุกขเวทนาอาทุก ข, ขมาสุขเวทนาเนี่ยก็อย่าไปไว้ใจมันต้องดูมันมันเป็นอันอื่น สุภเวทนามันเป็นนันหนึ่งทุกเวทนามันเป็นนันหนึ่งทุกคำว่าสุภเวทนามันเป็นนันนึ่งไม่ใช่ตัวตนจริงๆเราดูเราจะมาดูค่อยดูไปดูป่อยมันแสดงออกว่ามันต้องเห็นแหละเห็นจริงๆก็เก้าที่เราเดินทางมาตรงพบสิ่งเหล่านี้เดินทางจิตใจมันก็เราเดินทางจากบุริรัมย์ มาสุกโตก็ต้องขึ้นเขาเมื่อขึ้นเขามาผ่านที่โน่นที่นี่มาพอจะถึงสุกโตก็ขึ้นเขาปีนเขาทวนกระแสหน่อยหนึ่งถ้าเป็นรถกมหมดพลังงานไปหน่อยหนึงแต่ว่าขึ้นมาแล้วมันก็สบายอากาศมันต่าง ก, กันกับข้างล่างอยู่พอสมควรการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันบางโอกาสก็ทวนกระแส เช่นเวทนาเนี่ยกระแสมันจะพัดพาเราไปทางตับเราก็รู้ไว้หรือจิตงเนี่ยจิตที่มันคิดเนี่ยมันเคยเคยรับใช่ความคิดมาจิตกับความคิดเนี่เหมือนกันวันเดียวกันแต่จริงแล้วมันไม่ใช่ตัวคิดมันเป็นตัวนึ่งตัวเห็นคิดนี่เป็นตัวนึ่งแล้วก็ใจเห็นโอ้จิตเ่ง เราพยายามสร้างความรู้จึกตัวอยู่ดีๆพลุดออกมามันออกจากธรรมมันกับกายในเป็นธรรมอิดมันอยู่ในธรรมมันออกไว้มันเข้าไปไวไปก็ไปไวเกิดขึ้นไว้เอา้าเราพยายามดูดูแล้วก็ให้กลับมาแล้วอยากไปเอาผิดเอาถูกกับมันความคิดเนี่ยมันจะคิดอะไรก็ยิ้มหัวแล้วย่อมันไปก่อนแล้วเรากลับมากลับมาได้ แย่าให้มันใหญ่จนมันสั่งให้หยุดเปลี่ยนให้หยุดมันสั่งให้ทําความเปลี่ยนก็ทำมันสั่งให้นอนก็นอนบางทีอาจจะไม่โถกเสมอไปต้องทําต้องเจตนาเกิดจากเจตนาเจตนาหังวัฒน์มกรรมเจตนาเป็นกรรม ถ้าไม่มีเจตนากรรมก็เป็นอ่ไม่ใช่เป็นกรรมที่เป็นกุศไม่ใช่เป็นกรรมที่เป็นเป็นเป็นผลเป็นก็เป็นอากาศเป็นการตัดตกรรมเป็นกรรมที่ไม่มีผลแต่ถ้าโลาเจตนามันเป็นกรรมที่มีผลประวัติบ่มากนะเจตนาโลดอยู่เนี่ยเป็นตม ตัวลู่เป็นตัวผลมันก็เป็นมรรคเป็นผลุกมือขึ้นเป็นกมลู่สึกตัวอาที่ทิเหมือนมันเป็นมรรคผลไปนในตัวเศษลู่จริงจริงมือวางไว้บนเข่าลู่จริงจริงแต่แทงมือขึ้นลู่จริงๆยกมือขึ้นลู่จริงๆเคลื่อนไหวไปมาตามลู่แบบสิบสี่จังหวะสิบห้ากับมือวางไว้บนเข่า รูกจริงๆวัตถุที่รูปมีอยู่จริงไม่ใช่วาดมโนภาพเหมือนเขาโดโูลูกแก้วการโดูลูกแก้วต้องดูแล้วก็ว่าโนภาพให้มันติดตาเอาลูกแก้วเป็นยังไอันนี้ไม่ต้องเอาเอาของจริงเอาลูปเอากายเอาจิตเอาเกิดแต่สึกเนี่ยเอาลูปเท่านั้นมาเป็นในเไ็มเอาของจริงมันจึงจะเห็นของจริง มันก็เกิดอยู่นี่แหละปัญญาเกิดจากรูปจากนามจากสังขารกายสังขารจิตสังขารหรือว่าความรอบรู้ในกองสังขารชื่อว่าปัญญาไม่ใช่ความรอบรู้ในในมิตรลูกแก้วไม่ใช่แม่แต่เห็นในเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าเห็นเป็นพระพุทธรูปไม่ได้เป็นในมิตอยู่ต้องเห็นกายเห็นรนะูกเนี่ยลูกมันเป็นยังไงเห็นอิต ที่มันคิดหรือว่าเห็นเป็นรูปเป็นนามเห็นเาการของรูปของนามเห็นความสุขของทุกข์ของรูปของนามเห็นการกระทําของรูปของนามเห็นศีลเห็นสมาธิเห็นปัญญาที่มันเกิดอยู่ในรูปในนามเห็นตัวบุญที่มันเกิดอยู่ในรูปในนามเห็นตัวบาปที่มันเกิดอยู่ในรูปในนามไม่ใช่ ไม่ใช่บาปอยู่ที่วัดอยู่กับหลวงพ่อจะไปใกล้หลวงพ่อนะบาปนะเอที่หาว่าหลวงพ่อเป็นตัวบาปเอาที่ก็ไปกราบหลวงพ่อได้บุญตัวบาปตัวบุญมันเกิดอยู่ในลูกในนามแต่ลูกนี่มันทําดีนามมันทําดีอันที่เราเจริญสติเนี่ยมันทําดีแต่ลูกอยู่นี่มันก็ไม่ได้ทําชั่ว ไล้โดยทำช่วเยเลยคนรู้สึกตัวรักษาตายวาจาใจอยู่เนี่ยมันคิดก็กลับมาไม่ได้ให้ความคิดมันสับแต่มันคิดต้องกรู้ทันทีนตัดไฟเสียแต่ต้นลมแล้วพอเป็นไปก็ดับหมดเกิดที่ไรก็ดับหมดทุกทีชํนานาญในการดับหมดมันก็เกิดไม่ได้ไอ้ที่สุดอาจจะเย็นไปเลยหรือว่านิพพานนิพพานอยู่ที่ใจหายใจก็ได้ยิน มันก็เกิดอยู่ที่นี่เนดะี๋ไปหาที่อื่นก็จงมัดลูมดัดดูมันเนี่ยเอา <c oughs> กายเป็นในมิตเอาจิตใจเป็นในมิตนะเอาสติไปลงพื้นที่นี่เลบุกิกปุพ ก, ก, กรเอาการกระทําบุกเบิกไม่ใช่เอาเหตุเอาผล แตว่ากรรมฐานที่ตั้งของการกระทำเป็นการศึกษาที่อุดมสมบูรณ์แบบแต่เป็นการเรียนก็เป็นชั้นอุดมเลยชั้นอุดมเหมันก็มหาวิทยาลัยที่พวกเราได้เรียนมาไล้มีความรู้ทำงานทำสารได้แต่ว่าชั้นอุดมของชีวิตเนี่ย อุดมของชีวิตในกายมีความรู้สึกตัวทุกคนทุกชีวิตเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับความหนุ่มความแก่ไม่ได้เกี่ยวกับความเป็นหญิงเป็นชายไม่ได้เกี่ยวกับนักบวชหรือคละวดไม่ได้เกี่ยวกับชาติระทิปในกายศาสนาอันใดเป็นเรื่องของกายของจิตหล่นหลว ทุกคนค็มีกายมีใจจะเป็นชาติใดก็ตามมีกายมีใจมีความรู้สึกตัวมีความหลงมีเวทนามีความคิดมีธรรมที่เป็นกุศลหรือกุศลมันเกิดขึ้นที่คิดที่ใจเราเช่นกันความโกรธกันเดียวกันความร้อนอันเดียวกันความหนาวอันเดียวกันความหิวปวดมอ้อปวดท้องอันเดียวกันคือ <c oughs> เวทนา นี่เราจึงมาสนุกการศึกษาที่ศึกษาของจริงมันสนุกมันเห็นของจริงเช่นเห็นกายเนี่ยมันจริงเห็นเวทนาก็จริงเห็นความคิดก็เห็นมันจริงจริงมันคิดขึ้นมาจริงจริงางทีความคิดมันก็ยิ่งใหญ่ไพศาลจนเราจะสู้มันไม่ได้หรือความคิดที่ปนทุกข์กับอารมณ์ ถ้าเราไม่มีสติแก่ค่้าอินสติอินรีไม่แก่ค่้าก่อสู้มันไม่ไหวเกิดถาลมอิทธาลมเกิดอ น, นิจธาลมเป็นบวกอิทธาอิทธาลมเป็นลบอิทธาลมเป็นบวกอ น, นิจธาลมเป็นลบนะเนี่ยยินดีเป็นบวกยินลายเป็นลบ อารมบวกบวกรบล บ, ลบมันก็ใหญ่แต่เรามาดูมันโอ้มันก็เกิดปัญญามันก็เกิดสัญญามันยินดีเนี่ยเออปัญญามันยิน้า่กับปัญญาก็เราก็เริ่มแล้วเล่นแล้วนั่งสร้างจังหวะอามิดเป็ น, นอนเปลี่ยนความคิดเป็นตัวลูกเอามันทุกเปลี่ยนความทุกเป็นตัวลูกเอามันสุข เปลี่ยนความสุขเป็นตัวรู้มันร้อนมันหนาวมันปวดมันเมื่อยเปลี่ยนความร้อนความหนาวความปวดความเมื่อยเป็นตัวรู้ตัวรู้นี่ยเปลี่ยนได้ทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับกายกับใจแม้ว่ามันหิวไปกินข้าวให้มันดิเปลี่ยนความหิวเป็นความอิม่มอันนั้นก็อันนั้นก็เป็นทำรุน่นรุ่นแต่ว่าไม่ได้เคยเปลี่ยน แต่ถ้ามันหิวรู้สึกตัวรู้สึกตัวความหิวมันเป็นอาการของกายความอิ่มมันก็เป็นอาการของกายไม่ใช่ตัวตนความร้อนความหนาวก็เป็นอาการของกายความปวดความเมื่อยก็เป็นอาการของกายมันเป็นของเขาไม่ใช่เราเราไปยินดีไปหลง่างหาเราไปยินร่ายเราไปหลงต่างหาก็เกิดปัญญา โอ้เป็นอาการอาการของลกูกความโกรธความไม่ตกมองวนเศร้าหมองเป็นอาการของใจความสุขที่ได้ตามสมปทานาเป็นอาการของกิจของกิจใจนี่เป็นของเขาเราก็เลยให้เจรแล้วนั่นเป็นใหญ่มันก็มันก็สั่งงานสั่งการแล้วก็ปีนป่ายอยู่ไม่หยุดไม่ยอนแล้วเรามาเห็นเห็น เราเริ่มดูเริ่มเห็นก็เห็นอะไรก็มีแต่ความรู้สึกตัวเห็น uh อะไรก็เกิดความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็เลยเป็นเช่นเลยตัวรู้สึกตัวไปเฉลยเฉลยเฉลย ช, ชีวิตเฉลยได้แต่บางคนเฉลยไม่ได้เ ข, darum, ข้มขงวดทําตามเข้มงวดเฉลยไม่ได้ครับความทุกข์ก็เพิ่ม มุ่นหมกมุ่นอยู่ในความทุกขเฉลยไม่ได้ก็เลยไม่ผ่านชีวิตที่ไม่ผ่านชีวิตที่ตันเป็นทางตันแต่รู้สตัวเฉลยแลับผ่านเลยล ะ, ไ, ละไปแล้วคนละเวมุดแล้วทำปั๊ลงไปเราเดินทางทันทีไปสู่มักสู่ผลทันทีเห็นกับหูกับตากับมือเรา การศึกษาของจริงตอมันเกิดไรจะมาเป็นรูแล้วรูแล้วผ่านความคิดก็ผ่านแหนละรูสึกตัวลูสึกตัวมาสร้างตัวนี้กันตัวลูสึกตัวเนี่ยต้องสร้างไม่ใช่เอาเหตุเอาผลเอาความคิดไม่ใช่หรอเอาการกระทาเอาการกระทำทำเอาการสัมผัสต่อๆให้มันติด เอาไปต่อเอาไปประกอบเอาไปสัมผัสเอาเอากายไปต่อเอากิจใจไปต่อมันไปพูดข้องต้นว่าแต่ก่อนนี้กายมันไปต่อความหลงเหตุที่เกิดความหลงทั้งหมดอยู่ที่กายเอาใจไปต่อความหลงเหตุที่เกิดความหลงทั้งหมดอยู่ที่กิจใจ ความร้องก็เป็นใหญ่เห็นเคยถามใครต่อใครว่าชีวิตของเราที่ผ่านมาถึงปูนนี้ตัวลู่สึกตัวกับตัวลงอันไหนมันมาเท่า ก, กันไม่ต้องอ่านนั่นเอาวันนี้ชั่วโมงนี้ก็ได้ <c oughs> ชั่วโมงหนึ่งที่เราเดินจงกรมอยู่อัดไปไหมเนี่ยชั่วโมงหนึงนงหน่งก็จะได้ประมาณสักสามสี่พันเก้าถ้าเดินพอดีก็ดี ความเรื่องตัวพอดีประมาณสี่พันเก้าลู่ท er. ุกเก้าหน่งอาจจะหลงครึ่องหนึ่งลู่ครึ่งหนึ่งรือวยกมือชร้างจังหวะอายกพอดีพอดีวินาทีละลู่ลู่ลู่ลู่สือลู่สือลู่เสือมันก็เขียนวินาทีเอ๊ะเ๊ประมาณสามสี่พันลูก อางทีมก็อาจจะลงมากกว่าลงอารยบทสี่พันอารยบทต่อชั่วโมงหรือห้าพันอารยบทต่อหนึ่งชั่วโมงแต่เรามาดูจริงๆหนูโอ้ความลงน่าตกใจบางทีเราลูกไปเร า, เ, า, เ, า 30, เห็นความคิดากโอ้ไม่เคยเห็นความคิดเลยอายุสามสิบปียังมาเห็นความคิดตัวเกือบตายเกือบ เอาชีวิตไม่หลอดพอมาเห็นเราตกใจขึ้นเห็นความหลงแต่ก่อนเมาไม่เห็นหรืว่าอยู่กับความหลงอยู่กับความคิดใดอะไรก็คิดแต่คิดมาว่าบว บ, บ, บ, บไปคิดไปได่พอมารู้ตัวเห็นความคิดตัวเองโอ้ <c oughs> <c oughs> มันขนาดนี้ชีวิตเราเดินยอยู่ป่าหิว ไหลอดขนหัวลกไปคิดอะไรกปสิน่ะเอากิจ ไ, ไ, ไปคิดเรื่องที่ไม่ดีมาดีคิดอยนั้นนี่เ่ความโกรธนอนอยู่กับความโกรธกินอยู่กับความโกรธหรือกินไม่ได้เลยก็ยังโกรธ อ, อยู่นอนไม่ได้เลยก็ยังโกรธอยู่โอ้หลอดขนาดเท่านี้นลแล้วก็ไม่โกรธก็มไม่อยู่ทําไมเราไม่ใช่คิดตัวนี้ ก็ไม่หลงก็ไม่อยู่ทำไมเราไม่ใช่คุออะไรมาก่วนรับอวตารเพือ่อคือแต่ก่อนมันก็เป็นยังไงมาพอมาฝึกความรู้สึกตัวนะผลหวัวลุกเลยขอมีชีวิตทบใหม่ใหม่เอี่ยมเลยมันสดเลยมันน่ะเรียกว่าภาษาเ้าเรียกว่านวัคชีวันนวตัตแปลว่าใหม่ชีวิตใหม่ๆไม่เก่านะ เี่ยมเลยรู้สึกไงตอนนี้ความรู้สึกตัวนี่ยโอ้ต่างกันกับความหลงพอมันหลงทีใดโอ้เปื่อนทุกทีไม่ใหม่เลยกับผ้าที่ขาวสะอาดพอมันไปปั๊บมเปื่อนแล้วด่างแล้วพลอยแล้วเชราหมองแล้วปนนั้นนะพอฟเกที่สุใด ที่คุณคิดในรมทีค่คนคิดหมกมุ่นอยู่ในความคิดก็ถือว่าสินของเธอทะลุแล้วด่างแล้วร้อยแล้วง่วมองแล้วตอนนั่นนะความคิดเนี่ยเราจะไปเก่งว่าเราเดินย่องหย่อนเรานั่งหลับตาเรานุ่งทอดกาสาวพัด เราห่มผ้าขาวคนผมยังไม่พอยังไม่พอต้องมาดูแลต้องมารู้สึกตัวบางทีเราอวดลัทธิอวดในกายกันอวดเทศเราเป็นศิษย์ว่าตันเราเป็นศิษย์อาจารย์นี่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวต่างหากที่ทำให้เราบริสุทธิ์ ไม่เชิญการอ้ อ, อนวอนขอร้องด้วยลัทธิด้วยพิธีทํามอะได้ไลองดูมันรู้สึกตัวพอมันคิดพักรู้สึกก่อนที่มันจะผิดศีลมันเป็นลรมันก็เกิดอยู่เนี่ยเกิดจากความหลงตัวเองก่อนที่มันจะเป็นบุญมันก็เกิดอยู่ได้เกิดจากความรู้สึกตัวอา้าวขอท้าทายพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ไม่ได้สอนพิธีกรรม เราก็มีเดบิธีทางศาสนาที่ทีเก่งในเรื่องทุตีอย่างพวกอนุเล่าอะไหรอนักจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ก็ไม่เป็นจรงปลูกผักกินก็ไม่เป็นรักษาอะไราก็ไมนเลยแลวท้อไปหมดเลยไม่ใช่ต้องมีการกระทำทําให้มันเป็นการปฏิบัติไม่ได้สอนให้รูก้การสอนให้รู้ง่า สอนให้เป็นถ้าสอนให้ลู ก, ก, ก็ทําทำอุปการะมากสองอย่างสติคือความรลลึ้ได้สัมมาชยะควารู้ตัตวว่าสองรอบสามรอบก็จำได้รู้แล้วไปตอบเขาออกปัญหาทำอะไรที่เป็นอุปการะคณเขาก็ตอสติสัมมัชยะเป็นอุปการะคณเหมือนกับพ่อกับแม่ าตอบได้ได้ใบประกาศมาห้อยขวาได้เลยตอบได้ความรู้ได้ว่าทำไมเป็นรู้อยู่ตรงไหนตอ น, นนี้เราจะมาไม่ต้องไม่ต้องพูดกันเอากายไปรู้สึกตัวรู้สึกตัวไม่ได้พูดสักคำเลยเอากายไปสัมผัสไปรู้สึกกับความรู้สึกตัวโอ้รู้สึกรู้สึกเนี่ยแล้วได้รู้สึกน่ง ก่อนพูดก่อนทําก่อนคิขนดขณะที่พูดที่ทำทีคิดเรียกว่ารู้สึกตัวแต่รูกับรู้สึกตัวกุบเดี๋ยวจั่ด ท, ทีมาพร้อมสมบูรณ์แบบไม่ใช่มีสติไม่ใช่ไม่เพิ่มสมัยเชิญยะไม่ใช่มาพร้อมกันอันเดียว ก, กั น, น, น, นทุกเมื่อปั๊บรู้หรอก่อนจะทุกเมื่อรู้สึก การที่มือตั้งไว้อยู่แล้วลกได้แต่ว่ารูดสดตัวยกขึ้นรูดแล้วเอามานี่รูดแล้วยกไปนี่รูดแล้วรูดแล้วรูดแล้วรูรูอีกรูอีกรูอีกรูเบาเบารูสดชื่นรูบริสุทธิ์จะเป็นู